ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปรพัฏยานในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของครูประถมศึกษาต่อไปครูถามว่าธรรมกายคืออะไรคือเรื่องทีเดียวเนี่ยคำว่ า, วาธรรมกายเนี่ยเป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้าในหลายร้อยพระนามธรรมกายพุทธกาย ปรมากายพุทธรรมแล้วเนี่ยเป็นมะนามของพุทตะเจ้าทรงแสดงไว้ในอคันญยญสูตรเรามาก็กลายเป็นระบบ ก, การปฏิบัติทางสมาธิอย่างหนึ่งของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านบอกว่าท่านอ้างว่าท่านค้นพบวิชาประธรมกาย แล้วก็พูดอธิบายไปทำนองนิกายสุขาวรีพุทธเกษตรศสาสนามหมายานก็กลายเป็นว่าธรรมการนั้นก็เป็นองค์พระพุทธเจ้าไปแล้วไปสถิตอยู่ชัว่วนิรันดรที่อายตนะนิพพานแล้วก็คนก็ปฏิบัติแล้วเข้าถึงธรรมกายอย่างที่ปฏิบัติในวัดรธรรมกายเนี่ย อันนี้ที่จริงไม่มีในคติพระพุทธศาสนาเทรวาตกว่มธรรมกายเป็นภาษาในมิกายมายานธรรมกายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะนิรมาณกายออธรรมกายแล้วก็อีกกายหนึ่งก็คือหัมโพกะกาย นี่กายกายสามนะะกายสามเรือมารกายธรรมโภกกายธรรมกายาเป็นคติแบบหมายานแต่ว่าเนระวาสเอามายึดถือประพฤติปฏิบัติแต่อธิบายตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะฮะเพราะเป็นเรื่องไม่ใช่ปัญหาข้อเท็จจริง เป็นปัญหาความปักใจฝังใจคือเข้าใจกันเนื้อหาสาระสำคัญของความเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรก็ตามถ้าผลมันสูงสุดแล้วนกิเลตหมดถมมว่เราเข้าถึงธรรมกายเนี่ยถือว่าเข้าถึงผลสูงสุดแล้วแสดงกิเลสเราต้องหมดแต่ถ้าเราบอกเราเข้าถึงธรรมกายด้วยกิเลสเราเพิ่มขึ้น มากมายกายกองเนีแสดงว่าเดินผิดทางแล้วพระพุทธศาสนาที่ยิงดูง่ายดูที่องค์ธรรมนั้นอาจจะดูยากนะแต่ถ้าดูที่ผลจากการปฏิบัติละจะดูง่ายหมายความว่าการกระทําอย่างไรก็ตามที่กิเลสมันลดลงไปเนี่ยแล้วก็มีธรรมะเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทีนี้การที่จะดูว่ากิเลสมันลดลงไปธรรมะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็หมายความความทุกข์ลดลงไปด้วยเพราะความทุกข์มันเป็นผลมาจากกิเลสความสุขเพิ่มขึ้นเพราะเป็นความสุขมันเป็นผลมาจากธรรมะตกลงว่ากิเลสลดลงธรรมะเพิ่มขึ้นความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นถ้าเขาถึงความชงดูเนี่ยความทุกข์กับกิเลสหมดไปยังเหลือแต่ความสุข กับธรรมะก็เทียบอริยสัจดู ง, ง่ายๆว่าอริยสัจคือทุกขสุขไทยเนี่ยก็ขึ้นลงด้วยกันหมายความถ้ากิเลสมากทุกมากกิเลสน้อยทุกน้อยหมดกิเลสก็หมดทุกนิโรธกับมรรคเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันหมายความว่าถ้าปฏิบัติมรรคได้สมบูรณ์เนี่ยนิโรธก็จะสมบูรณ์ มรรคเพิ่มในรอดเพิ่มมรรคเพิ่มในรอเพิ่มมรรคสมบูรณ์ในรอสมบูรณ์ทีนี้ตัวนิโรธเนี่ยมันเป็นทำลายตัวทุกตัวมรรคเนี่ยเป็นทำลายสมุทยัยผมก็แสดงว่าทุกข์กับสมุทัยก็ดับไปอย่างสิ้นเชิงแต่ทีนี้ท้าไม่เห็นอาการอย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างของอริยศาสตร์แล้วก็แสดงว่าไม่ถูกต้อง ไปสมัครใจจะเชื่อนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ถามมาหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยมีสอนว่ายังไงเนี่ยเราอธิบายได้ก็ต้องไปถามว่าเรื่องพระเวสสันดรนั้นเป็นเพียงกุศโลบายเพื่อให้คนทําความดีเท่านั้นใช่หรือไม่ไม่หรอกเป็นเรื่องของประวัติบุคคลในอดีตที่พระพุทธเจ้านํามาเล่า แล้วก็เน้นที่การมาเป็นฐานบารมีประโมทสดก็เน้นที่ปัญญาบารมีมาพระวิถุระก็เรนเน้นที่วิริยะบารมีไอไม่ใช่มาชนกก็เน้นที่วิริยะบารมีอะไรตอะไรนเนี่ยเป็นประวัติชีวิตของมนุษย์แต่ว่าประวัติชีวิตของมนุษย์ในยุคอดีตการนานไกลนะะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่ยังไม่ได้จัดสรุ เดี่ยวเสบวยประชาในภพชาติต่างๆอยู่ก็ได้เกิดมาเป็นบริเวณสันนนก็นํามาสั่งสอนทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีนะคนไม่ดีก็เยอะนะนเช่อชูชก น, น, นี่ยก็ไม่ดีนางมิติดานี่ก็ไม่ดีพ่อแม่นางมิติดานี่ก็ไม่ดีมันก็มาสอนทั้งท้องแนวคนเชื่อง่ายอะไรเออจุดฤาษีนี่ก็เชื่ออะไรไง่ายไป หรือในทานติตะบุตรนี่ก็เชื่ออะไรง่ายไปเป็นต้นสอนธรรมะจากตัวคนแต่ว่าเรื่องเป็นเรื่องจริงเรื่องที่รู้ด้วยประญาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่กุตโลบายอะไรอ่ะมันเป็นธรรมะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมประเจอว่าพระเจ้าคุงสนชัยก็ดีผนางพุทธดีก็ดี มันเป็นแบบฉบับของความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วความเป็นพระาชาซึ่งจะต้องตัดสินประไทยในบางครั้งบางคราวเนี่ยไปคำนึงถึงเรื่องปีกย่อยนี้ไม่ได้จะต้องรักษาประโยชน์ของชนส่วนใหญ่เอาไว้เพราะนางมัตซีเนี่ยเป็นแบบอย่างของแม่เป็นแบบอย่างของลูก เ, เป็นแบบอย่างของสภัยเป็นแบบอย่างของปัญญาที่ดี รวมทุกๆสู่กัสามีพระเบสันดอนก็เป็นแบบอย่างของลูกชายที่ดีเป็นแบบอย่างของพ่อที่ดีเป็นแบบอย่างของสามีที่ดีอย่างเนี้ยอาจารย์กรุงเจตระรัฐก็เป็นแบบอย่างของเพื่อนที่ดีพระเบสันดอนก็เป็นแบบอย่างของเพื่อนที่หวังดีต่อเพื่อนเพื่อไม่ต้องการให้เกิดปัญหาทางการเมืองแล้วก็ หลีกนีพระองค์ไปอยู่ที่เขาบงโกดเป็นต้นเนี่ยก็เรื่องทาราวิเคราะห์ออกมาเป็นหลักธรรมะปฏิบัติที่มนุษย์มีต่อมนุษย์โดยกันแล้วในจะได้รู้เรื่องอะไรเยอะแยะนะฮะเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยวิจิตพิสดานมากข้อต่อไปถามว่าในการเข้ารับการอบรงฝึกปฏิบัติธรรมะรับประทานอาหารสองมือกับสามมือมีผลต่างกันอย่างไรอย่างไหนจะให้ประโยชน์มากกว่ากัน คือสองมือเนี่ยมันเป็นแนวรักษาสีนสส่นุบสถชิ้นแปดไอ้สามมือนี่มันก็แนวรักษาสีลห้าแต่เราต้องการจะฝึกปรือทดลองตัวเองเนี่ยมันควรจะเอางดอาหารให้ฉันให้รับประทานแค่สองมือนะฮะเพราะยังไงก็มาทดลองเข้าไข้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ควรจะทำให้เป็นชิ้นเป็นนันมีความหนักแน่นประสมควร เป็นห่วงเป็นใยอะไรมันกับเรื่องกินมื่อเดียวแต่นั่นเดงคนเดียวไปเดียวกินอาหารมื้อเดียวสองมือสามมือเนี่ยคนมื้อเดียวสองมือเนี่ก็กินเงินเยอะไปเกิดเ ป, เปการปฏิบัติระยะสั้นๆคือทาาหารสามมือเนี่ยมันจะง่วงนอนแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะไม่พร้อมจะไม่กระฉับไปเเฉงจะไม่กระปรีก้กระเป่า คือจะไม่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมะแต่ถ้าสองมื้อนี่ร่างกายมันจะเบาแต่เราก็ไม่ง่วงนะะไม่ง่วงไอหิวไม่ไม่ถึงได้หิวหรอกเพราะว่ามันมีการบรรเทาหิวกันพอสมควรเพียงแต่ว่าไม่กินข้าวนั่นเอง การรับประทานอาหารมังสวิรัตหรืออาหารเจจะช่วยให้การฝึกปฏิบัติธรรมดีขึ้นได้อย่างไรหรือไม่ไม่ก็ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่หรอกอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องอาหารของกายมันเข้าไปในปากเราแล้วในท้องเราแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเจไม่เจแล้วมันก็เป็นแค่อาหารไดนนั่นเองทางการมันก็ ซึมซับ้าไปเท่าที่มันขาดแคลนขาดแคลนอะไรเท่าไรมันก็ดูดซับ้าไปเท่านั้นแล้วก็มันก็เป็นอาหารของมันนะ่ะเป็นอาหารของกายมังสาวิรัตมันเป็นตัวอุปาทานที่สร้างขึ้นก่อนที่จะรับประทานแต่ น, นั่นเองแต่พอกายมันไม่รู้ว่ามังสาวิรัติหรือไม่มังสวินัติแต่เรารู้ได้ตาของเราเรารู้ได้หูของเราเรารู้ได้ความรู้สึกก็เป็นอุปาทานอย่างหนึ่งนะฮะ บางครังบางคราวก็ทําให้ไปยึดมั่นหรือมั่นกลายเป็นอุปาทานที่ไปดูถูกดูหมิ่นคนอื่นที่ไม่มังสาวิรัตอย่างตัวเองจึงก็อาจจะเป็นผลเสียโดยซ้าไปเพราะงั้นประเด็นตรงนี้ไม่ควรจะเอามาเป็นประเด็นแต่ใครสมัครใจจะมังสาวิรัตก็มังสาวิรัตไปใครไม่สมัครใจเราเป็นเรื่องของเขาคือถ้ามังสาวิรัตมันเป็นบุญเนี่ยนะการไม่กินปลากินเนื้อเป็นบุญเนี่ย ก็สแสดงว่าโควควายมันก็เป็นบุญหมดแล้วโควควายม้าอะไรตะะไระเยต่างๆผสัตว์กินพืชต่งางๆเนี่ยมันก็มีบุญมากกว่าคนนะเออในขณะเดียวกันถ้าเนื้อมันเป็นบุญปลามันเป็นบุญอะไพวกเสือพวกจุนเขแ่พวกอะไรตยต่างๆมันก็เป็นบุญไปหมดแล้วเหมือนกันประเด็นยิ่งไม่อยู่ตรงนั้นไม่ดีอยู่ที่กินอะไร จะอยู่ที่ว่าปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยสำคัญมากกว่าต่อไปถามว่ามีชาวพุทธบางท่านคิดว่าผู้ที่สร้างประภูมิเจ้าที่ที่บ้านไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้พระพระภูมิเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องสมรับชาวพุทธแล้วก็พูดไ้มากไปนะฮะ มันไม่ได้แท้ไม่แท้กันตรงนั้นหรอกเพราะในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ปฏิเสธเทวดานะฮะไม่ได้ปฏิเสธเทวดายอมรับความมีอยู่ของเทวดาแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่มวมผู้เกิดแก่เจ็ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นผู้เจ้าสอนเทวตาพลีคือพิีกรรมที่เราจะต้องทําต่อเทวดาทั้งหลายเนี่ยเพราะการสร้างสารพรูน ม, มันก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทำต่อเทวดา มันก็เป็นการสร้างกัลยาณมิตรกันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาไหนหรอกหรือศาสนาอื่นที่เขานับถือเทวดาก็มีเยอะไปทําไมจะต้องไปว่าพรามหม์เราเพียงแต่ว่านับถือในฐานะที่แตกต่างกันออกไปเรานั้นเรามองในฐานะเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนร่วมรุ่มเกิดแก่เจ็บตายโดยการทั้งหมดทั้งสิ้นแต่นั่นเองแล้วก็มีอะไรที่เราจะทําบุญทกุศลไปให้กับเทวดาเราก็ทํา ก็การสร้างศารให้เทวดาอยู่เนี่ยมันก็เป็นเทวดาผลีนะฮะเป็นพรีกรรมเดี๋ยวทำกับเทวดาในพิธีมงคล ต, ต่างๆของเราก็มีการสวดชุมนุมเทวดาในการเชิญเทวดาเข้ามาร่วมในพิธีกรรมต่างๆเราก็ทำกันดูทำไมจะทำไม่ได้ข้อต่อไป ถาว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทำดีถ้าเช่นั้นคนเราที่รบราฆ่าฝันกันจะถือว่าไม่มีศาสนาจะได้หรือไม่มันก็มีศาสนานั่นแหละแต่ไม่เข้าถึงเนื้อหาของศาสนาเพราะว่าจริงๆศาสนาทุกศาสนาในโลกเนีะให้เข้าถึงศีลของศาสนานั้นๆเช่นศาสนาคริสต์เข้าถึงบัญญัติ สิประการนะศาสาอิสลามก็เข้าถึงคําสอนของเข า, าศาสนาเชนก็มีคําสอนของเขาคือสรุปรคําสอนแบบสิ้นห้านี่ยมันมีอยู่ทุกาศาสนาแต่ว่าคนก็รักษาไม่ได้ลึกซึ้งมากพอต่อไม่มีการรบราฆ่าฟันกันแต่เราไปษาบความไปเสดความเป็นาศาสนิกในาศาสนาเขาไม่ได้นะครเพราะว่ า, าศาสนิกมันมีหยาบกลางละเอียดขึ้นไป ศาสราที่เขายังยึดถือสิ่งสูงสุดในาศาสนานั้นๆอยู่เขาก็เป็นศาสนิกในาศาสนานั้นๆเพียงแต่ว่าได้รับผลมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่่ะดีตัตยาใสวาสนาบารมีของเขาเท่านั้นเขาก็คงเป็นศาสนิกข้อต่อไปถามว่าผู้นำบางคนในบางประเทศ สั่งให้ทหารออกไปรบซึ่งต้องมีการฆ่า ก, กันจะถือว่าผู้นำเหล่านั้นมีาศาสนาประจำตัวหรือไม่ก็มีนะฮะคือบางครั้งเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่จำเป็นอย่างราชการที่หกทรงนิพนธนเอาไว้แม่หวังตั้งสงบจงเตรียมรบไปพร้อมศัตรูกล้ามาประจนก็อาจสู้ริบูขยายมนดึงโลกอะ่ะ เพราในสมัยพุทธกาลเองเราจะพบว่าอย่างเนี้ยอย่างอุบาสกด้วยกันทั้งคู่เนี่ยพระเจ้าประเสณนทโกศลค ร, ร, รับพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเป็นอุบาสกด้วยกันทั้งคู่แต่ก็ยังมีทําศึกสงครามกันอ น, นั้นในเรื่องของประเทศทําศึกสงครามกันก็ไม่ไดว่าอะไรแต่ในที่สุดก็แต่มันไม่รุนแรงแต่นั่นเองเนะฮะทำความ ท, ท, ทําสงครามแล้วก็ไม่รุนแรงกว่า ต่างคนต่างก็มีธรรมะอยู่ในหัวใจจบลงด้วยพระเจ้าปฏเสดิโกสนจับพระเจ้าชาติตูได้แต่ที่จะลงโทษไม่ลงโทษมอบที่ดินการีพิพาณเนี่ยให้เป็นของขวัญแล้วก็มอบพระราชธิดาให้อีกองหนึ่งให้แต่งงานกับพระเจ้าชาติตูก็อยู่แบบพ่อตากับลูกเขย ตนนันาโลกมีศาสนาอยู่ในหัวใจบ้างมันไม่แรงหรอกมันไม่แรงแต่เราลองลองสังเกตเอะว่าแนวที่อาการนิสถานเนี่ยที่มันแรงบางจุดเนี่ยเพราะคนเนี่ยขาดสา น, นึกทางศาสนาคือตีความศาสนาผิดเพราะศาสนาไหนก็ตามถ้าส่งเสริมการฆ่าขันแล้วไม่ใช่ศาสนาแต่ว่าศาสนิกนั้นเดต้องอยู่ในโลก ต้องเกี่ยวข้องกับโลกต้องเกี่ยวข้องกับสังคมผู้บริหารประเทศท่านก็ต้องสั่งการแต่ไดยที่อยู่ตรงนั้นตองน้ก็บางทีก็ต้องทำบาปเมื่ออยู่ตรงนั้นก็ต้องทำบาปอย่างเรื่องพระเตมีโพธิสัตว์ที่ท่านไม่ยอมเป็นกษัตริย์ทาแอบบ้าบ่ายไปเพราะท่านไม่ต้องการจะทำบาปในตำแหน่งของกษัตริย์ เดี๋ยวโลกมันจะอยู่ไม่ได้แหละถ้าว่าไม่มีใครยอมเป็นประมุกเลยเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะเอามาเป็นเงื่อนไขเป็นกฎเกณฑ์เพราะว่าโลกก็คือโลกมันมีโลภะโทสะโมหะมันมีการเบียดเบียนการมาทุศลายกันบางครั้งบางข่าวเนี่ยเรามันอาจจะถึงข่าวตรงเลือก แดงว่ากษัตริย์ในอดีตเมื่อท่านไม่ต้องการที่จะทําทบาประดับนั้นท่านก็ลาตละล า, ลาสมบัติสเสด็จออกผนวดเป็นนักปวดไปก็จบ ก, กันคนอื่นก็ต้องขึ้นสวมตําแหน่งตรงนั้นแทนและปล่อยตาแหน่งว่างมันไม่ได้ประชาชนคนพลเมืองนี่ต้องอยู่ต้องอาศัยบารมีของผู้บริหารบ้านเมือง เพราะถ้าเรามองเนี่ยเรามองได้เราพูดได้นะ่ะแต่จริงๆมันมันปัญหาเราเนี้มันแก้ไม่ได้ครับที่ไม่ให้มีศึกสงครามไม่ให้อะไรเนี่ยมันมันต้องแก้ที่ใจคนทุกคนนะ่ะไปแก้ได้ยังไงเพราะในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยเราจะพบว่าพระเจ้าประสินสนทธิทกก์นิคุณสนบางทีแกดกทัาบไปรบกับพระเจ้าชาตรูเนะี่ยยังมาคว้าพระพุทธเจ้าเลยมาทุ่นลาพระพุทธเจ้าไปสงคราม พระเจ้าก็ไปห้ามปลามอะไรเขาไม่ได้นอกจากว่าทรงแสดงธรรมะเป็นหลักคิดตั้งคิดแล้วกันทําได้ขนาดไหนก็ไม่รู้ต่อไปถามว่าเราทําบุญตักบาตตอนเช้าทุกวันอยากทราบว่าบิดามารดาหรือญาติตายไปแล้วรับส่วนบุญนั้นหรือไม่และบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากกรรมที่ทําขนาดมีชีวิตที่มีชีวิตหรือไม่ ไอ้รับหรือไม่รับแต่มันอยู่ที่เรากวดน้ามุทิศกุศลไปให้เขาหรือไม่ถ้าเราไม่กวดน้ามุทิศกุศลส่งไปให้เขาก็ไม่รับได้อย่างไงอ่ะเขาต้องอนุโมทนานะเพราะแนวการทําบุญเนี่ยมันมีอยู่สามช่วงแนวทําบุญมุทิศนะคือหนึ่งเราต้องทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งมีการตักบาตรมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนาเป็นต้นเนี่ย เราสองเราตั้งตั้งใจอุทิศส่วนกุศลเดียดนั้นแก่ผู้ที่วาชนที่เรียกว่าปฏิฐานใหม่บุญสมเด็จโดยการให้ส่วนบุญแล้วท่านต้องรับทราบแล้วอนุโมทนาส่วบุญเรียกปฏานอนุโมทนาใหม่ถ้าครบองค์ประกอบอย่างนี้ก็ชื่อว่าสําเร็จประโยชน์แก่บุคคลทุกๆฝ่ายแต่ถ้าไม่ ประกอบด้วยองค์ครตัังขามประการมันก็ไม่สาเร็จนะฮะมันนิ่งๆมาไปาแสดงความยินดีได้ยังไงในเมื่อเราไม่รู้ทิศถวนบุตนไม่ให้ทันไอ้ทวนการจะพ้นจากกรรมหรือไม่นั้นมันมันพูดยากมันขึ้นอยู่กับกรรมในที่เขาทำในมากหรือน้อยกรรมบางอย่างที่เขาทำมันจวนจะหมดสวนแล้วเช่นสมมติวันเนี้ย อย่นี้เคยเล่าเรื่องพระญาติพระเจ้าพิมพิสารเปรตพระญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารอุทิศให้ในครั้งแรกจากการถวายทานเนี่ยเขาก็หมดสภาพความเป็นเปรตหายจากสภาพความเป็นเปรตกลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาประบุททบญก็บาปกรรมก็จวนจะหมดรัะพอพระเจ้าพิมพิสารถวายผ้าอุทิศส่วนบุญส่ให้ก็มี พาทิพย์มาคลุมร่างกายเป็นเทพบุตรเทพ ธ, ธิดาที่มีความสง่างามสวยงามเรื่องอยขึ้นสู่สวรรค์ไปสู่ไปไปสู่สวงสวรรค์กันหมดไปอันนี้ก็แสดงว่าถ้าบุญบาปมีไม่มากามไม่ใช่บาปมีไม่มากไงบาปมีไม่มากเนี่ยมันโอกาสที่จะหมดได้แต่ถ้านันโมธนาเนี่ยแต่ถ้ายังยังมีมากอยู่ มันก็บัณฑรลดน้อ ย, อยลดน้อยลงไปได้ระดับหนึ่งแต่จะให้หมดทีเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้ก็ต่อไปถามว่าการนั่งสมาธิจะต้องนั่งขัดสมาธิด้วยวิธีนั่งเอาขาวขาวขาวทับขาซ้ายเสมอไปหรือไม่ถ้าจะสลับกันจะกระทาได้หรือไม่เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกคือสมาธิจริงจรินั่งห้อยเท้าก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไร แต่ท่านั่งหรือนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดํารงดัติวาเฉพาะหน้าเนี่เป็นท่าหลักเพราะว่าร่างกายเราจะตรงดีตัวเนี่ยจะตรงดีจะหายใจนี่จะคล่องเลยท่านก็สอนวิชีนี้แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะทําได้มันตัวการสาคัญมันอยู่ที่จิตสงบนิวรณ์นะการจเจริญสมาธิมันอยู่ที่จิตสงบนิวรณ์เป็นประการสําคัญ ทำยังไงให้นินวรนสงบออกไปจากจิตนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดว่านิวรนสงบจากจิตนี่เป็นความถูกต้องตัวอย่างยื่งเป็นประเด็นปีกย่อยนะฮะเรานั่งค่อยเท้าเทิญนิวรนสงบจากจิตก็ได้เรายืนและนิวรนสงบจากจิตมันก็เป็นสมาธิแม้แต่เรานอนนะฮะแม้แต่เรานอนแล้วก็จเจริญกรรมฐานไปจิตสงบจากนิวรนได้มันก็เป็นสมาธิ สรุปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเป็นสมาธิได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่านอนเขาไม่นิยมใช้เพราะว่าถ้านอนแล้วมันโน้มเอียงไปทางหลับเนี่ยจะสูงท่านก็สอนเฉพาะเอเดียบทยืนเดินนั่งนะฮะยืนเดินนั่งนอนไม่เคยเอากันแต่ว่านอนแบบสีห์หัดสยญาตนอนตะแคงขวานะฮะนอนตะแคงขวาซอนเท้าเหลื่อมกันแล้วก็ตั้งสติกำหนดระลึกอยู่ ในอารมณ์ของกรรมาฐานด้วยกำหนดที่จะตื่นมันก็เป็นอาการของสมาธิได้ประกันต้องฟังทั้งหลายแต่หลงพ่อพุทธยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจญจ้องามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี